สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตพระเจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในสุภาษิตบทที่20ข้อ25ถึงข้อ30โปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าการพูดพร้อยๆว่านี่เป็นของบริสุทธิ์ก็เป็นบ่วงดักตนเองแล้วจึงมาคิดได้หลังจากปฏิญาณไปแล้ว พระราชาที่มีปัญญาย่อมทรงฝัดร่อนคนอธรรมแล้วทรงขับล้อกเกวียนทัพพวกเขามนธรรมของมนุษย์เป็นประทีปของพยาเวสองดูทุกส่วนภายในเขาความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์เฝ้าระวังพระราชาไว้และพระราชาจะส่งคำชูพระที่นั่งไว้ด้วยความชอบธรรมศักดิ์ศรีของคนหนุ่มคือกาลังของเขา แต่ความภูมิฐานของคนแก่คือผมงอกการเคี่ยนที่ให้เป็นบาดแผลก็ขจัดความชั่วเสียการโบยตีชำระล้างส่วนลึกภายในพี่น้องครับในวันนี้มีหข้อด้วยกันผมจะขออธิบายเป็นข้อๆไปเหมือนเดิมนะครับ ข้อ25บพูดถึงเรื่องของการปฏิญาณหรือการให้คำมั่นสัญญาพื่อกระเพืเตือนว่าการให้คำมั่นสัญญาแบบพล่อยๆหรือไม่ได้คิดก็จะเป็นเหตุทำให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายอย่างยิ่งการกระทำเช่นนั้นเปรียบเหมือนกับการติดบ่วงดักสัตว์ครับก็คือต้องชดใช้ด้วยชีวิตเป็นอันตรายมากครับที่คนเรานั้น จะทำการสัญญาโดยพร้อยๆไม่คิดให้รอบครอบการให้คำมั่นสัญญาแบบพร้อยๆนั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตดังนั้นจึงควรคิดให้ดีก่อนที่เราจะให้คำมั่นสัญญาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้คำมั่นสัญญากับพระเจ้าจะต้องไม่หุนหันพันเล่นและจะต้องสามารถทำตามที่สัญญาหากเรา ให้คำมั่นสัญญากับพระเจ้าอย่างหุนหันพันแล่นรีบด่วนใจร้อนโดยไม่ได้คิดให้ดีพี่น้องครับถือว่าเป็นภัยพิบัติที่มาถึงตัวเราขอยกตัวอย่างเยฟทาในพระคัมภีร์เดิมผู้นิจัยบทที่11ข้อ3าถึง40เขาทำการปฏิญาณแบบพล่อยๆไม่อรอบคอบเขาบอกว่าถ้าพระเจ้าช่วยให้เขาชนะเขากลับมา ใครก็ตามหรือสิ่งมีชีวิตใดที่ออกจากบ้านของเขามาต้อนรับเขาอย่างแรกสิ่งแรกชีวิตแรกเขาจะถวายกับพระเจ้าก็เป็นที่น่าตกใจครับคนแรกที่ออกมาจากบ้านเขาคือลูกสาวสุดที่รักของเขาเองนี่เป็นตัวอย่างของการทาการปฏิญาณอย่างไม่รอบคอบหุนหันพันแล่นเป็นภัยกับตัวเองครับข้อ26 พูดถึงพระราชากษัตริย์ผู้นำผู้ปกครองเขาจะต้องมีหน้าที่แยกแยะคนดีออกจากคนชั่วเขาจะต้องรู้ว่าใครดีใครไม่ดีใครเป็นคนดีก็นำมารับใช้บ้านเมืองรับใช้ประเทศชาติรับใช้สังคมรับใช้องค์การองค์กรสถาบันต่างๆครับพระราชาเช่นเดียวกัน ก็ต้องดัดนิสัยลงโทษคนชั่วนี่คือสิ่งที่เป็น job description หรือรายละเอียดงานเป้าหมายที่คนที่เป็นผู้นำจะต้องกระทำน่าเสียดายครับผู้นำบางคนตกอยู่สภาวะของการรับการเยินยออย่างไม่สมควรและไม่ทำหน้าที่ สังเกตแยกแยะคนดีออกจากคนชั่วพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าความรับผิดชอบอันแรกนั้นคือการฝัดร่อนครับการฝัดร่อนนั้นพระเจ้าได้ให้กับเรารู้ว่าคนที่เป็นผู้นํานั้นต้องรู้จักฝัดร่อนซึ่งฝัดร่อนนั้นก็คือการสรรหาบุคลากรคัดสรรบุคลากรนั่นคือภาษาอังกฤษเรียกว่า recruiting หรือ recruitment นนี้และครับคือภารกิจแรกของผู้นำต่อไปเป็นความรับผิดชอบที่สองหรือภารกิจที่2ก็คือการนวดเฟ้นหมายถึงการนวดข้าวครับข้าวนั้นเรานวดเราเฟนมันเพื่อที่จะแยกเมล็ดข้าวออกจากรวงข้าวและเราเอาไปตาก็เท่ากับการที่เราแยกข้าวสารออกจากแกลบ ตรงนี้เองทําให้เราเห็นว่าการแยกแยะนั้นจะต้องเป็นหน้าที่ของผู้นําครับก็27ครับเช่นเดียวกันพูดถึงเรื่องของผู้นําและพระราชาพระราชานั้นจะต้องขับคนชั่วออกจากสังคมและพระเจ้าก็จะต้องขับสิ่งชั่วร้ายออกจากหัวใจของคนบาปครับเช่นเดียวกับตะเกียงที่จะต้องส่องแสงเข้าไปในความมืดมิด พระเจ้าเองก็ทรงเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในจิตวิ ญ, ญญาณเพราะพระองค์ทรงทราบสิ่งที่ล้าลึกที่สุดในชีวิตของคนเราดังนั้นเองไม่ต้องซ่อนอะไรไว้แล้วนึกว่าพระเจ้าไม่เห็นครับพระเจ้าเห็นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าหาพระเจ้าด้วยความจริงใจเราจะต้องสารภาพบาปก่อนที่เราจะนมัสการพระเจ้าเราจะต้องเข้าหาคนอื่นด้วยความจริงใจเช่นเดียวกันครับเพราะว่าความจริงใจนั้น ก็เกิดจากความถ่อมใจเราต้องเปิดเผยความจริงคนที่เป็นผู้นำต้องทรมาพิบาลโปร่งใสข้อ2ีสครับความจงรักภักดีและความสัตซ์ซื่อเป็นคุณสมบัติของผู้นำที่เกิดผลการจะเกิดผลได้นั้นของผู้นำจะต้องมีคนติดตามที่จงรักภักดีและซื่อสัตย์ครับ ความจงรักภักดีของประชาชนก็สามารถช่วยป้องกันให้พระราชาอยู่บนบัลลังก์ได้ฉะนั้นเองเช่นเดียวกันครับความจงรักภักดีหรือ loyalty ของลูกน้องก็จะทําให้ผู้นําหรือผู้มังกรมัญชาอยู่ในตําแหน่งได้หากปราศจากความจงรักภักดีหรือความรักที่มีต่อผู้นําแล้วเราก็คนเหล่านั้นจะร่วมกันล้มล้างระบบ และยกให้คนอื่นมาเป็นกษัตริย์และผู้นำแทนนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีวันหนึ่งชนรุ่นหลังก็จะยึดอำนาจครับเพราะชนรุ่นแรกชนรุ่นผู้ปกครองไม่ยอมทำตามสิ่งที่ควรจะทำข้อ29ครับเราเห็นวัฒนธรรมของคนยิว วัฒนธรรมของคนยิวนั้นได้ให้เกียรติคนเอาโศครับเพราะว่าแต่และฝ่ายนั้นก็มีคุณสมบัติที่โดดเด่นไม่เหมือนกันคนหนุ่มมักภาค ภ, าคภูมิใจในพลังกำลังของตัวเองส่วนคนสูงวัยนั้นเพราะว่าเขามีประสบการณ์ครับเขาก็ตกผลึกเป็นสติปัญญาและจากประสบการณ์ของตนเองนั้นก็ทําให้เขาเน้นมีความมั่นใจว่าสิ่งที่เขา คิดเขาทำนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องอีกประการหนึ่งครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าผู้อาวุโสนั้นมีผมงอกบนศีรษะของเขานั่นแสดงถึงความมีประสบการณ์คนธรรมดาทั่วๆไปชาวบ้านเรียกว่าความเก๋าครับความเก๋าก็คือความที่เขานั้นมีประสบการณ์มาก และทันเกมเสมอข้อ30ครับพูดถึงเรื่องของการลงโทษเหตุผลของการลงโทษสถานเบาโดยการทำให้บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยหรือการตีเบาๆหรือแม้กระทั่งการที่ทำให้เกิดการทำโทษในลักษณะต่างๆจุดประสงค์ก็คือไม่เพียงแค่ต้องการหยุดพฤติกรรมของคนคนนั้น หรือเด็กคนนั้นแต่เป็นการช่วยให้เด็กคนนั้นเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และชําระส่วนลึกภายในชีวิตให้สะอาดครับเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตของเขาฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ครับอย่าลืมครับต้องใช้ไม้เหลียวเพื่อที่จะหยุดพฤติกรรมและช่วยให้เขาเติบโตชําระส่วนลึกภายในชีวิตให้สะอาดประสบการณ์หรือบาดแผลที่เจ็บปวดนั้นมีประโยชน์ครับ พราะว่าสามารถยับยั้งให้เราเลิกความชั่วเลิกทาตามใจของตัวเองเลิกติดตามความชั่วฉะนั้นเราจึงควรเห็นคุณค่าของความเจ็บปวดและความงดงามของความเจ็บปวดนี้ก็คือการได้รับบทเรียนครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะปลูกฝังสิ่งที่ดีๆเข้าไปในชีวิตนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าในแต่ละวัน ข้าพเจ้าอวยพรพี่น้องที่ได้ยินได้ฟังพระจชนะของพระองค์ทุกๆ ท, ท่านอาเมน